ประเทศเป็นประชาธิปไตยประชาชนเป็นธรรมาธิปไตยคือมีระบบที่เลวน้อยแถมได้คนมาประกันให้ดีเมื่อกี้นี้ได้เอ่ยถึงคำว่าธรรมาธิปไตยและประชาธิปไตยก็ขอถือโอกาสย้าแซกไว้หน่อยว่ายังมักมีความสับสนในเรื่องถ้อยคาบางทีเหมือนจะเอาธรรมาธิปไตย กับประชาธิปไตยมาเทียบกันว่าอย่างไหนดีกว่าที่จริงสองอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเทียบกันแต่ต้องเอามาทาบหรือทบกันเรามักสับสนในเรื่องถ้อยคำคือเราไปเอาคำว่าอธิปไตยที่มีอยู่ก่อนแล้วของท่านมาใช้ในขณะที่อธิปไตยของท่านเป็นหลักธรรมเป็นข้อธรรมที่คนทุกคนพึงยึดถือปฏิบัต แต่เราเอาคำนี้มาใช้เป็นชื่อเรียกระบบทางการเมืองทางสังคมโดยไม่ได้ทําความเข้าใจกับคนพวกตัวให้ชัดไปไปมามานานเข้าก็สับสนนัวเนียตัวอย่างที่ชัดก็คือธรรมมาธิปไตยนี่แหละธรรมมาธิปไตยเป็นคุณธรรมสําหรับทุกคนยิ่งถ้าเป็นผู้นําหรือหัวหน้าคนก็จําเป็นอย่างยิ่งเป็นหลักการที่ทุกคน เฉพาะยางยิ่งหัวหน้าหรือผู้เป็นใหญ่พึงยึดถือปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระราชาเป็นธรรมะทิพไตคือพระราชามีธรรมเป็นเจ้าใหญ่และตรสแสดงความหมายไวช้ชัดว่าพระราชาจะต้องยึดเอาธรรมเป็นราชาของตนคือให้เอาธรรมหรือธรรมะนี่แหละเป็นราชาที่สั่งพระราชาอีกที ดังที่มีมาในอังคุตรนิกายติกานิบาตภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรเล่าเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมผู้เป็นธรรมราชาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุธรรมะเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมผู้เป็นธรรมราชา แล้วตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมผู้เป็นธรรมราชาทรงอาศัยธรรมนั่นเองสักการธรรมเคารพธรรมนับถือธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นราชูเป็นธรรมมาทิปไตคือมีธรรมเป็นเจ้าใหญ่ของพระองค์เองทรงจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่ประชาชนหลากหลายหมู่เหล่า ตลอดจนมิขาปากสีทรงยังจักให้เป็นไปคือใช้อำนาจโดยธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นธรรมมาทิประไตยดังที่ตรัสต่อไปว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาก็ฉันนั้นทรงอาศัยธรรมนั่นเองสักการะเคารพ นับถือธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นตราชูเป็นธรรมมาธิปไตยส่งจัด ก, การรักษาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อคนอยู่กันมากเป็นหมู่เป็นมวลใหญ่ไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรถึงแม้ยังไม่เกิดไม่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเขาก็มีการปกครองกันและไม่ว่าจะปกครองแบบไหน การใช้การปกครองระบบใดการปกครองนั้นๆจะดีได้ก็ต้องให้คนที่เป็นใหญ่คนที่มีอำนาจตัดสินใจที่เป็นหัวหน้าที่ทำหน้าที่ปกครองนั้นๆเป็นธรรมาธิปไตยคือเป็นคนที่มีหลักยึดถือหลักการถือกฎกติกาถือทำเป็นใหญ่ไม่ทำอะไรตามอาเภอใจไม่ใช่อำนาจสนองความชอบใจหรือไม่ชอบใจของตัวนี่ก็คือ ไม่ว่าการปกครองระบบไหนแบบใดจะดีได้ก็ต้องให้คนที่ปกครองเป็นธรรมมาทิปไตยถึงแม้เมื่อยังไม่มียังไม่ได้ระบบการปกครองที่ดีแม้แต่เป็นการปกครองระบบที่ถือกันว่าเลวอย่างยิ่งถ้าผู้ปกครองเป็นธรรมมาทิปไตยก็ยังมีการปกครองที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของระบบการปกครองนั้น พูดอีกจำนวนหนึ่งว่าไม่ว่าระบบการปกครองใดก็ตามจะเป็นระบบที่ดีหรือไม่ก็ตามถ้าเกิดได้ผู้ปกครองที่เป็นธรรมมาธิปไตยก็เป็นการปกครองที่ดีที่สุดของการปกครองระบบนั้นถึงเวลานี้เราบอกว่าเราพบแล้วเราได้ระบบการปกครองที่ดีที่สุดแล้วคือระบบประชาธิปไตยเราบอกว่าประชาธิปไตย ระบบการปกครองที่ดีที่สุดหรือเลวน้อยที่สุดเพราะเป็นระบบที่ประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองประเทศคือได้ปกครองตัวเองซึ่งเป็นการถูกต้องเพราะอย่างน้อยประชาชนก็รู้ความต้องการของตนที่ดีนั้นไม่ใช่แค่ประชาชนเป็นใหญ่ได้ปกครองตัวเอง ไม่ใช่แค่ปกครองตัวเองแล้วปกครองเรื่อยเปื่อยทำอะไรกันตามอำเภอใจแต่เป็นการปกครองอย่างมีหลักเคารพหลักการถือตามกฎกติกาอย่างที่ชอบใช้คำฝรั่งว่า rule of law นี้ไม่ว่าจะหาคำไทยอะไรมาใช้กันเช่นว่านิติธรรมหรืออะไรก็ตามก็คือคำที่ใช้กันมาในประเพณีว่าการปกครองโดยธรรมนั่นแหละไปๆมาๆ พูดย้อนกลับก็บอกว่าธรรมหรือธรรมะคือหลักการหลักแห่งความจริงความถูกต้องความดีงามที่แสดงให้ชัดเป็นกฎกติกานั่นเองเป็นผู้ปกครองธรรมหรือธรรมะหมายถึงกฎธรรมชาติกฎมนุษย์หรือกฎหมายก็ได้ประชาชนนี่แหละตกลงกันตั้งวางหลักการกติกาขึ้นมาปกครองพวกตัวเอง ตั้งแต่กฎกฎติกาใหญ่แม่บทครอบกลุ่มทั้งรัฐทั้งประเทศที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญพูดอย่างภาพพจน์ว่าเลือกตั้งธรรมหรือธรรมะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองขอให้นึกย้อนถึงความข้างบนที่พูดถึงการปกครองที่ดีในสมัยที่มีพระราชาว่าธรรมเป็นราชาของพระราชาราวนี้ ทมเป็นราชาของประชาชนความที่ว่าตรงนี้บอกถึงแกนปัญหาของการปกครองคือก็รู้กันอยู่เป็นธรรมดาว่าการปกครองมีขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนที่มาปกครองก็เพื่อหาทางทำให้ประชาชนอยู่กันดีมีสุขเกือ้อกูลเป็นธรรมแก่กันนี่คือต้องทำตามหลักตามกฎตามข้อกาหนดข้อตกลง ตามมาติที่จะให้ได้ผลแก่ประชาชนอย่างนั้นแต่ก็มีบ่อยมีเรื่อยที่ผู้ปกครองไม่ทําตามหลักไม่รักษากฎกติกาพูดสั้นๆว่าไม่ปกครองโดยธรรมไม่ว่าไปตามธรรมแต่ว่าแต่ทาไปตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจของตนแล้วก็ใช้อานาจตามอำเภอใจด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงดิ้นรน ค้นหาระบบการปกครองที่จะให้มั่นใจว่าผู้ปกครองจะทําตามหลักการตามกฎกติกาว่าไปตามธรรมจนได้พบระบบราาประชาธิปไตยนี้ว่ามีหลักประการให้มั่นใจได้มากที่สุดว่าจะมีการปกครองโดยทําตามหลักตามธรรมเป็นไปตามรูออฟลองไม่ใช่ปกครองโดยทําตามใจตัวเองที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจตรงนี้ละ่ะ ประโยชน์ของประชาธิปไตยก็ออกมาโดยเมื่อประชาชนเป็นใหญ่ก็ใช้มติของประชาชนเอาเสียงส่วนรวมจัดตั้งวางข้อกำหนดกฎกติกาขึ้นมาให้ตรงตามความต้องการของประชาชนให้มีราที่จะใช้รูให้เป็นรูออฟลอเหมือนอย่างที่พระอาหน์อธิบายแก่วัสการพรามมหาเซนาบดีของมคทรัฐ ให้รู้เข้าใจการปกครองสังฆะของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อมีเรื่องราวที่ประชุมสมก็ทำหน้าที่ตัดสินความผิดพระไปตามบทบัญญัติเมื่อว่าไปตามความเป็นกลางด้วยใจว่างบริสุทธิ์นั่นคือธรรมะพิภาคษาธรรมหรือธรรมะเป็นผู้ลงโทษไม่มีใครตัดสินไม่ใช่บุคคลไหนมาลงโทษที่ประชุมเป็นเพียงทางผ่านของธรรม หรือจะว่าสงเป็นปากที่ถ่ายทอดเสียงของธรรมก็ได้ทีนี้ก็เห็นกันว่าประชาชนแสนมากมายจะทำกิจในการปกครองพร้อมกันโดยตรงก็ไม่สะดวกยากที่จะดำเนินไปก็เลยใช้วิธีจัดกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มตกลงตั้งตัวแทนมาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ต้องมีกติกาข้อตกลงกันไว้ว่า การใดจะเอาอย่างไหนจะให้ดำเนินไปอย่างไรเพราะฉะนั้นขั้นแรกก็ต้องให้มีกติกามีกฎมีข้อตกลงเป็นหลักเป็นธรรมจนถึงเป็นธรรมนูนขึ้นไว้ประชาธิปไตยก็เป็นอยู่เป็นไปได้ด้วยกฎกติกาที่พระเรียกรวมคาเดียวว่าธรรมนี่แหละแต่ตอนนี้เป็นธรรมที่เป็นกฎมนุษย์เป็นกฎหมายเช่นในคาว่า ธรรมศาสตร์ไม่ใช่กฎธรรมชาติมาดิบดิบตรงตรงระบอบราาประชาธิปไตยเต็มไปด้วยกฎกติกามีกฎหมายมากมายแต่ก็ต้องให้กฎกติกาประดากฎหมายลงกันบรรจบที่จะส่งผลสมจุดหมายของการปกครองแบบราาประชาธิปไตยนั้นก็เลยต้องมีกฎกติกาใหญ่เป็นกฎหมายแม่บทแกนกลางขึ้นมา ที่เราเรียกว่ารัฐ ธ, ธรรมนูญประดากฎหมายเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญนี่แหละจัดตั้งวางรูประบบประชาธิปไตยให้อยู่ตัวเป็นแบบแผนไว้